อาเช้านี้มีนักเรียนหลายคนนะทั้งข้างในข้างนอกก็จะเล่าถึงนักเรียนคนหนึ่งที่รู้จักนะชื่อยุ้ยเป็นนักเรียนมัธยมอายุนี่เป็นเด็กขยันเรียนแล้วก็เรียนดีด้วยนะวันหนึ่งเนี่ยมีการสอบวิชาภาษาจีนนะ ่อครูคุมสอบเนี่ยก็รู้ว่าเด็กเนี่ยทุจริตในห้องสอบกันเยอะก็เลยขู ว, ว่าถ้าพบนักเรียนคนไหนทุจริตในห้องสอบเนี่ยจับได้ครูจะตัดคะแนนนักเรียนทุกคนทั้งห้องเลยนะคนละสิบคะแนน่ครูขนาดรูขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีคนไม่กลัวนะ หรือว่าไม่ได้นึกถึงคนอื่นน่ะคิดแต่อยากจ ะ, ะทุจริตอย่างเดียวนะเพราะว่าครูจับได้นะก็เลยตัดคะแนนของนักเรียนทั้งชั้นเลยนักเรียนก็โกรธนะโกรธคนที่ทุจริตไอ้นักเรียนที่ถูกทุกจริตเนี่ยที่ถูกจับได้ว่าทุจริตนี่ก็เสียใจนะ พรว่าถูกเพื่อนต่อว่าก็ไปขอโทษนะขอโทษนักเรียนที่เรียกว่าแทบทั้งชั้นเลยที่ทําให้ถูกตัดคะแนนนักเรียนคนนี้ก็ไปขอโทษยุ้ยนะยุ้ยก็บอกว่าไม่เป็นไรเธอไม่ได้โกรธเพื่อนเลยคือเธอก็รู้ว่าเพื่อนทําไม่ดีแต่ไม่ได้ไม่ได้โกรธ ไม่ได้โกรธที่ถูกตัดคะแนนเธอบอกว่าครูเนี่ยตัดได้แต่คะแนนแต่ว่าเอาวิชาความรู้ของเธอไปไม่ได้นะเธอเลยไม่โกรธไงไม่โกรธเพื่อนที่ทำเป็นเหตุให้ถูกตัดคะแนนไม่โกรธเพราะว่าเสียคะแนนก็จริงนะแต่ว่าความรู้นะมันไม่ได้หายไปด้วย เมื่อสอบเมื่อเตรียมตัวสอบก็ได้ความรู้นะคะแนนจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่ที่ครูแต่ความรู้เนี่ยมันอยู่ในหัวของเธอแล้วนะอันนี้ต้อมาขยายความนะเธอเพียงแต่บอกเด็กว่าบอกเพื่อนว่าฉันไม่โกรธเธอนะเพราะว่าครูรตัดได้คะแนนแต่ว่าเอาความรู้ไปจากชั้นไม่ได้อันนี้ก็น่าสนใจนะคือเด็กที่รู้ว่าเรียนเพื่ออะไรสอบเพื่ออะไร ในส่วนใหญ่เนี่ยเรียนคิดแต่จะเอาคะแนนเวลาสอบก็สนใจแต่จะเอาคะแนนหรือว่าอยากได้ที่หนึ่งไม่ได้สนใจเลยว่าไอ้วิธีการของตัวเนี่ยมันจะถูกหรือผิดนะ น, นักเรียนสมัยนี้เนี่ยถ้าคิดถึงแต่คะแนนนะก็เรียนไม่มีความสุขยิ่งเวลาจะสอบก็ยิ่งเป็นทุกข์นะ พ่ากลัวว่าจะได้คะแนนน้อยบางทีพ่ออยากจะได้คะแนนมากก็เลยทุจริตนะอันนี้ก็เสียหายอีกคราวหนึ่งนะยุย้ยได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดไปสอบระดับประเทศเธอเป็นเด็กกร ะ, ะสินนะเด็กอีสานนะ่ไปสอบระดับประเทศแต่ว่าเธอนะมีเหตุจำเป็นนะ คงเกี่ยวเรื่องการเรียนน่ะทำให้ไม่สามารถจะมาสอบที่กรุงเทพได้ mm hmm. ก็เลยมาสอบที่จังหวัด mm hmm. เธอก็ทำข้อสอบนะ mm hmm. ครูที่คุมสอบก็เป็นคนในจังหวัดนั่นแหละ mm hmm. เธอทำข้อสอบเสร็จครูก็ถามว่าทำได้ไหม mm hmm. เธอบอกว่าทาได้เกือบทุกข้อเลยยกเว้นข้อเนี้ mm hmm. ข้อไหนครูถาม mm hmm. เธอก็ชี้ให้ดู mm hmm. ครูก็เลยตอบให้เลย ฉเฉลยคำตอบให้แล้วก็ยื่นคยื่นกระดาษให้เธอไปแก้นะนี่ครูนะ่ะยุยปฏิเสธนะยุ้ยปฏิเสธนะยุ้ยบอกหนูไม่แก้นะเพราะว่าถ้าหากว่าหนูจะได้ที่หนึ่งเนี่ยนะก็เพราะว่าความสามารถของหนูเองนะหนูทําไม่ได้นะถ้าหากว่าจะต้องโกงแล้วได้ที่หนึ่งมันไม่ภูมิใจ บอกกว่าสอบครันั้นเธอได้ที่สองนะถ้าเธอทําตามที่ครูแนะนำนะก็คือแก้นะแก้คําตอบเธอก็ได้ที่หนึ่งไปแล้วน่าสนใจนะก็คือว่าเธอมีความภาคภูมิใจในตัวเองเรียกว่ามีศักดิ์ศรีนะถ้าหากว่าจะต้องทุจริตเพื่อจะได้ที่หนึ่งเนี่ยเธอไม่ทํา ขอให้ผลที่ได้เนี่ยมันมาจากน้ำพักน้ำแรงของเธอได้ที่สองก็ไม่เสียใจนะภูมิใจเสียด้วว่าฉันเนี่ยกล้าที่จ ะ, ะปฏิเสธโอกาสที่มันไม่ถูกต้องนะคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะต้องการเพียงว่าได้ที่หนึ่งจะทำยังไงก็ได้ขอให้ได้ที่หนึ่งหรือขอให้ได้เป็นผู้ชนะ อันนี้มันพอโตขึ้นก็กลายเป็นคนที่คอร์รัปชันนะแล้วไม่เป็นไม่ต้องเป็นคนไม่เก่งนะหรือคนที่เรียนไม่ดีนะบางทีคนที่เรียนดีแต่ว่าไม่เข้าใจว่าเรียนเพื่ออะไรเนี่ยก็อดไม่ได้ที่ต้องทุจริตนะเด็กที่ได้สามจุดห้าหรือว่าเด็กที่เรียนได้สอบได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตบอกว่าโ ก, โ, กโกงในห้องสอบนี่ก็มีนะ ถามว่าทำไมถึงโกงทั้งนี้เถอก็เรียนดีอยู่แล้วเนี่ย95เเซนต์ไม่ได้คนเดียวนะเป็นฝูงเลยร่วมมือกันอันนี้โรงเรียนดังในกรุงเทพเด็กตอบว่าอยากได้ร้อยคะแนนขนาดได้95แล้วนะนี่แสดงว่าไม่ได้รู้เลยว่าเรียนเพื่ออะไรนะนักเรียนเนี่ยถามตัวว่าเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อเอาความรู้หรือว่าเรียนเพื่อเอาคะแนน อันนี้มันก็เป็นคติสำหรับผู้ใหญ่ด้วยนะว่าเราอยู่เพื่ออะไรนะอยู่เพื่อสร้างความร่ารวยนะสะสมเงินทองหรืออยู่เพื่อใช้ช่วยมีคุณค่านะเปลี่ยนไปด้วยความดีหลายคนตอนเรียนก็อยากจะได้คะแนนสูงๆพอโตขึ้นก็อยากจะรวยแล้วพออยากจะรวยแล้วเนี่ยถ้ามีช่องทางที่จะรวยได้โดยที่ แม้จะไม่ถูกต้องก็ทําก็คือทุจริตคอร์รัปชันเนะอันนี้เป็นปัญหามากอันนี้เป็นเพราะว่าไม่ได้รู้ว่าเราอยู่เพื่ออะไรมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรคนที่ไม่เคยถามว่าเรียนไปทําไมเนี่ยนะพอจบแล้วก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่เพื่ออะไรแล้วก็คิดเอาง่ายๆเอออยู่เพื่อจะรวยนะอะที่จริงชาติจะรวยก็รวยได้นะแต่ขอให้ทําความเพียร น, นะทําความ มีความซื่อสัตย์สุจริตนะแต่ว่าแม้จะมีความซื่อสัตย์จริตนะอยากร่ำอยากรวยก็ต้องระลึกหรือเตือนใจเสมอว่าไอ้ความรวยนี่มันก็มีโทษนะมันไม่ใช่ว่าจะมีคุณไปเสียทั้งหมดมีเรื่องเล่าว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งไปไปกราบหลวงปู่ดูนะ หลวงปู่ดูวัดสแกนอยุทธยาท่านมรณภาพาไปสิบกว่าปีแล้วก็ไปล่าหลวงปู่ดูฟังว่าเนี่ยเพิ่งไปชอบพระอุปคุตมาเพื่อจะได้บูชาหลวงปู่ดูก็ถามว่าบูชาไปทําไมบูชาจะได้รวยไงหลวงปู่หลวงปู่ฟังท่านก็เปรยขึ้นมาเบาๆรวยกับซวยมันใกล้กันนะไอ <c oughs> ้หนูก็นั่งสงสัยหมายความว่ายังไงหลวงปู่ท่านบอกเขียนคล้ายๆกัน แล้วท่านอธิบายว่าถ้าจะรวยนะไปหามาเนี่ยมันก็ทุกได้มาต้องรักษาก็ทุกพอมันหมดไปก็ทุกนะกลัวคนจี้กลัวคนป้นนะมันไม่จบนะไอ้รวยเนี่ยสู้เอาดีดีกว่านะเอาดีก็คือว่าทำความดีดีกว่าทำความดีนะ แล้วถ้ามันจะรวยอ่ก็เป็นผลพลอยได้นะแต่ถ้าไม่รวยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจุดหมายสำคัญอยู่ที่ความดีเพราะดีเราก็มีความสุขนะแต่ถ้าหากว่าไปเอาความรวยเป็นจุดหมายแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นนายเราได้นะต้องทะเลาะ ก, กันทะเลาะ ก, กับพี่กับน้องตัดญาติขาดมิตรก็เพราะอยากจะร่มอยากจะรวยบางทีก็ถึงกับไป ข้าพ่อข่าแม่เพื่อจะเอามารดกนะอันนี้ก็มีข่าวมาล้เพราะนั้นเนี่ยรวยกับสวยมันใกล้กันนะมันไม่ใช่อันเดียวกันนะแต่ว่ามันใกล้กันก็คือว่าถ้ารวยแล้วไม่มีความดีกำกับเนี่ยมันก็สวยหรือว่าถ้ารวยแล้วไม่มีธรรมะไม่มีปัญญากำกับมันก็สวยนะก็คือว่ามีความทุกขนะ์ให้รวยความดีดีกว่านะมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะที่ ให้คลายกันนะแต่ว่าอาจจะจอดจงไปที่พระนะแต่ว่าก็ไปใช้กับโยมได้มีประวัตินะของหลวงพ่อปานนะวัดบางนมโคหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะท่านก็เป็นเกจิอาจารย์คนสำคัญของยุทธยารุ่นเดียวกับหลวงปูด่ดูนะคนจังหวัดเดียวกันนะท่านเนี่ยตอนที่ เป็นพระหนุ่มเนี่ยท่านก็ไปแสวงหาวิชาความรู้ไปเรียนวิชาคาถาอาคมไปเรียนกับหลวงปู่หลวงพ่อสุนนะจนกระทั่งสามารถจะสะดอกกุญแจได้แต่หลังท่านก็คิดว่าเรียนแค่นี้ไม่พอต้องไปเรียนประิยะติธรรมด้วยก็ไปแสวงหาครูบาอาจารย์สุดท้ายก็มาเรียนที่วัดสเกต ตอนที่มาเรียนอยู่วัดสกเกตเนี่ยกรุงเทพนะท่านก็ลําบากนะอดมือกินมื้อนะพระสมัยก่อนนี่ก็ไม่ใช่สบายนะบางวันเนี่ยมีแต่ข้าวกับข้าวไม่มีก็ต้องไปเด็ดยอดกรถินมามาจิ้มน้ําพริกนะพระพูดน้อยนี่ลําบากเงินทองไม่ต้องพูดถึงนะไม่มีนะแต่ท่านก็ไม่ยอทอก็ตั้งใจเรียนจนกระทั่งเกือบจะจบอยู่แล้วนะ มีวันหนึ่งกลางคืนเนี่ยท่านว่านะเทวดามาหาแล้วก็เทวดาก็ให้เลขคงเทวดาคงสงสารท่านนะเหตว่าทําความเพียรมากแต่ว่าลําบากขัดสนก็เทวดาก็เลยให้เลขให้เลขเสร็เทวดายัางกลัว่าท่านจะลืมนะเขียนให้อีกนะถามว่าจําได้ไมท้านบอกจําได้แล้วเทวดาก็หายไปฉันที่ท่านดีใจนะท่านบอกท่านคิดหนักมากเลยนอนไม่หลับ น้อมแม่หลับว่าเอ๊ะพรุ่งนี้เราไปแทงหวยดีไหมพ่อหวยออกพรุ่งนี้นะลังเลว่าจะไปแทงดีไหมที่ลังเลเพราะว่าท่านนึกถึงคำสอนของหลพ่อสุนนะหลวงพ่อศูนบอกว่าเป็นพระเน่อย่าอยากรวยนะอย่าอยากมียศถาบรรดาศักดิ์เพราะว่าพรุนี้มันไม่เที่ยงไอ้ทรัพย์สมบัติเนี่ยหรือว่ายศถาบรรดาศักดิ์เนี่ย ถึงเวลามันหมดไปก็ก็จะทุกข์นะเป็นพระเนี่ยอย่าอยากรวยนะต้องรวยด้วยบุญญาบารมีนะท่านบอกอย่างนี้หลวงพ่อสุนบอกพระเนี่ยไม่ถูกนะถ้าถ้าอยากรวย่ต้องรวยด้วยบุญญาบา ร, รมีพอท่านนึกถึงคำสอนหลวงพ่อสุนนะท่านตัดสินใจแลนะ้วไม่ไปแทงหวยแล้ว เป็นเรานี่คงห้ยก็ดีกระดาเลยนะระอรอเมื่อไหร่จะเช้าเนี่ยไปแทงหวยท่านตัดสินใจไม่น ะ, นะแล้วท่านก็สบายใจนะเพราะว่าหวยนี่ออกมาตรงนะตรงตามที่เทวดาบอกแต่ท่านเฉยมากเลยท่านบอกว่ารวยด้วยบุญญาบารมีดีกว่านะเป็นพระท่ารวยแล้วมันไม่ถูกนะแต่ถ้าจะรวยก็ต้องรวยบุญญาบารมีรวยบุญญาบารมีหมายความว่ารวยความดีนั่นแหละ เพราะบรารมีนี่ไม่ได้แปลว่ามีอิทธิพลนะสมัยนี้บรารมีว่าผู้มีอิทธิพลผู้มีบรารมีคือผู้มีอิทธิพลแต่บรารมีจริงๆมันแปลว่าความดีอันยิ่งยวดนะซึ่งต้องบาเพ็ญและถ้าบาเพ็ญแล้วก็สามารถทำให้ชีวิตจเจริญงอกงามทำให้ปุถุชนกลายเป็นพระพุทธเจ้าได้กระเพาะบรารมีนะอันนี้ก็น่าสนใจนะว่าเป็นเป็นคติสำหรับพระได้ว่าเนี่ยพระนี่ถ้ารวยแล้วไม่ถูกนะ หมายถึงรวยทรัพยนะ์แต่ถ้ารวยบุญญาบา ร, รมีเนี่ยดีรวยด้วยความดีซึ่งก็ต้องมีธรรมะนะมีสติรักษาใจมีปัญญาที่ทำให้เห็นโทษของห่วงยศทรัพย์อำนาจหรือว่ายศถาบรรดาศักดิ์ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะนี่หลวงพ่อุเนี่ยท่านไปอหลวงพ่อหลวงพ่อป่านเนี่ยท่านไปเรียนวิชาสะดอกสะดกักกุญแจนะ แต่วิชาสดอ ก, กุญแจนี่มันไม่ดีเท่าไม่ประเสริฐเท่าวิชาสดอ ก, กิเลสออกไปจากใจนะวิชานี้คนไม่ค่อยเรียนกันเท่าไหร่นะไปสนใจแต่ว่าอาจะสลอ ก, กุญแจให้มันหลุดจากประตูดได้ยังไงนะแต่ว่าการสลอ ก, ก, กิเลสออกจากใจเนี่ยวิเศษกว่านะซึ่งอันนี้ก็เป็นวิชาที่หลวงพ่อสุนท่านก็ก็สอนเหมนกันแต่ว่าอาจจะไม่รู้ตัวนะนะพอหลวงพ่อปานท่านนึกถึงหลวงพ่อสุนคำสอนท่านเนี่ยโอ ก็สามารถจะสะอกอกิเลสออกจากใจได้ถ้าไม่อยากรวยแล้วน ะ, อ, ะอันนี้ก็ฝากเอาไว้น ะ, ะ, ะแล้วก็เตรียมรับพร